การการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้สังเกต ด, ดูตอนที่พุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ตอนเป็นสุเมธาดาบทตอนนั้นถ้าหาพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังธรรมจากพระธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าถ้าท่านจะตัดสรู้เนี่ยท่านฟังธรรมะแค่สองบาทคาถาครึ่ง ท่านก็จะได้ตัดสรุ้เป็นพระอรหันรูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์หนึ่งแสนรูปทันทีเลยโดยไม่ต้องใช้เวลานานเลยแต่ถ้าท่านตัดสรุ้วันนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปอยู่ปนกันกับพระอรหันต์สี่แสนรูปท่านก็อยู่ในเพศที่ไม่มีคนรู้จักคำว่าไม่มีคนรู้จักในที่นั้นหมายความว่า อยู่ในเพศที่คนเขาไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาไม่เคารพไม่รักไม่นอบน้อมไม่บูชาไม่น้อมที่จะเดินตามไม่น้อมที่จะฟังไม่น้อมที่จะตัดสูต้ๆๆตามเพราะเพราะอะไรเพราะสั่งสมอัธยาสายมาเพื่อตนเองเท่านั้นท่านก็เลยบอกว่าท่านจะเป็นอย่างท่านคู้เนี้ยคือพระทีบังกรสัมมาสามัมพุทธเจ้านี่แหละท่านจะ เป็นศาสดาเอกของโลกท่านจะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านจะเป็นที่รกักเป็นที่เคารพของมนุษย์และเทวดาเป็นอันมากให้ได้พอท่านตัดสินใจอย่างนั้นแล้วท่านก็ปิดสวิทช์ไม่น้อมใจตามพระธรรมเทศนาที่จะตัดสรุ้เป็นพระสารท่านก็ตั้งอัธยาศัยว่าท่านจะฝึกจะบำเพ็ญพุทธการะธรรม คือทําที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าพอบอกจะาระบำเป็นพุทธการะธรรมธรรมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคือท่านก็น้อมทานบารมีศีลบารมีเนตขมาปัญญาวิริยฆขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและวิกขาบารมีน้อมอุปปารมีสิปรมัทบารมีสิบเข้ามาไว้ในตนทั้งหมดหมุนบารมีทั้งหมดมันอยู่ที่ไหนบ้างทิศเหนือทิศใต้ทะวันออกตะวันตกบารมีเหล่านี้มันอยู่ในตนแล้วเราจะขุดบารมีเหล่านี้ขึ้นมาเราจะฝึกบารมีเหล่านี้ออกมาขับบารมี เราจะผูกบา ร, รมีนี้ไว้ในตนและเอาบา ร, รมีนี้เชื่อมโยงกับสัต์ทั้งหมดจะผูกสัตว์ไว้ในตนผูกบา ร, รมีเหล่านี้ไว้ในตนคาว่าผูกบารมีบารมีเหล่านี้ไว้ในตนผูกสัตว์ไว้ในตนคือว่าท่านจะบาเพ็ญทานบา ร, รมีให้กับคนทั้งหมดทั้งโลกจะเดินทานบา ร, รมีจนให้คนอื่นเห็นแล้วรักเห็นแล้วเคารพเห็นแล้วเชื่อมั่น ว่าเราได้ให้เขาได้เกื้อกูลเขาเราจะให้เขาไม่มีน้ําเราจะให้น้ําเขาไม่มีอาหารจะให้อาหารเขาไม่มีผ้าเราจะให้ผ้าไม่มีที่อยู่เราจะให้ที่อยู่ไม่มียาเราจะให้ยาเขาไม่ใช่แค่ให้ทานบา ร, รมีอย่างเดียวเราจะให้ศีลบา ร, รมีแก่เขาด้วยก็คือจะประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลไม่ทําร้ายชีวิตเขาไม่ทําร้ายทัพย์สินของเขาเป็นต้นเหล่านี้ และในขณะเดียวกันเราก็ผูกเนคข ม, มบ ร, รมีในขณะที่ให้แล้วเนี่ยเราก็จะมีใจไม่ยึดติดว่าเราเป็นผู้มีบุญคุณกับเขาเราจะมีเราจะมาเห็นปัญญาบา ร, รมีเราจะใช้ปัญญาในการที่จะวิจัยแยกแยะและเข้าใจเขาให้หมดคนทั้งโลกเนี่ยจะเข้าใจเขาทั้งหมดและในขณะเดียวกันเราจะใช้ปัญญาบา ร, รมีของเขาเนี่ยของเราเนี่ยบอกเขาบอกการดาเนินชีวิตของเขาทุกขั้นตอน อะไรเป็นประโยชน์ปัจจุบันอะไรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอะไรประโยชน์พอดีมากอย่างยิ่งเราจะบอกเขาทั้งหมดอะไรเป็นประโยชน์ตนอะไรเป็นประโยชน์บุคคลอื่นอะไรเป็นประโยชน์ส่วนรวมจะบอกเขาเราจะทําประโยชน์ให้เขาเราจะเพียรพยายามทําอย่างเนี้ยไม่รู้จักเหน็ดจังเหนื่อยเราจะอดทนต่อบรรดาที่สัตว์ทั้งหลายให้แล้วเขาไม่รู้จักบุญคุณเราเราก็จะไม่เสียใจเราจะทำแล้วแล้วเราเราอย่างเนี้อย่างติตต่อและต่อเนื่องเราลั่นวาจาไปแล้วเราจะต้องทําให้ได้จริงและเราจะต้องมีความจริงใจในการทํา เราจะฝึกจนบรารมีเหล่านี้เต็มเปี่ยมจนได้มาซึ่งสามมาสัมโพธิญาณเราจะมีจิตเมตตากับประชาสัตย์ทั้งหลายในสากรจังหวะเร า, าจะไม่วางใจของเราไม่หวั่นไหวในมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์เป็นต้นนั่นคือการหมุนบรารมีเขา้าใจยังคนที่เคยทําประโยชน์ให้กับหมู่ประชาสัตย์มากมายขนาดเนี้ยเพียงเขาได้ยินชื่อเราเขาจะสะเทือนใจเขาจะรักเราทันทีเพราะเราได้เกื้อกูลเขาไว้ในในอดีตเขาใจ ย, ยัง นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าถึงเป็นที่รักอย่าแปลกใจว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าเราทำไมถึงรักแต่แค่เห็นนะแต่ยิ่งมาศึกษาแล้วยิ่งรักใหญ่ยิ่งมาเรียนรู้เรายิ่งรักใหญ่ในส่วนจริงจริงแม้ชีวิตเราก็มอบให้ได้คนเช่นนี้ฮะเพราะทํามาขนาดนี้นี่เป็นแบบนี้แหละต่อให้ใครจะจิตกระด้างขนาดไหนแค่เขาฟังอย่างเดียวเขาอยางไม่ไม่ซึ้งลองมาอ่านดิลองอ่านประวัติท่านทั้งหมดสิ อ่านสิ่งที่ท่านทําอ่านประวัติของท่านแล้วก็อ่านธรรมะที่ท่านอ่านความการวิธีการบําเพ็ญบารมีอ่านแนวทางที่ท่านบอกว่าจะให้เราไปถึงตรงไหนต่อให้ใจหยาบก้านขนาดไหนแม้แต่จ อ, จ อ, จอมโจรองค์ครีมานถ้ารู้จักพระพุทธเจ้าต้องศรัทธาหมดใจหยาบขนาดไหนชั่วช้าขนาดไหนวางกันเถอะคิดทำร้ายอย่างวระเทวทัตเนี่ยบั้นปลายชีวิตจริงโอ้โหกับการเอาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาดีกว่าอย่างนี้เป็นต้น หรื อ, อยังอาชาติศัตรูเนี่ยนะข้าพ่อยังได้เลยนะแต่พอมาเรียนรู้ความเป็นไปของพุทธะกันมายอมสิโรราบหมดเลวครับสัจจการนี้คนเอย่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่นะบรรดาพวกเจ้ารัติทั้งหลายเหล่านี้บางคนถึงก็บอกว่าไม่ไม่ยอมศึกษาไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมไปหาถ้าไปหาไม่ได้เด๋วยวใจเราอ่อนไปรักท่านวันนี้ บรรดาสจการนี่คนเออบรรดาปุนารนกัสป่ามัคคิริโคสาละเนี่ยทําไมถึงไม่อยากเจอเจอไม่ได้เจอรู้ใจอ่อนคนประเภทนี้ไม่ได้เราเจอแล้วยอมหมดนะเพราะว่าโอ้โหอลังการละมากนี่ทําไมคนจึงรักพระเจ้าคนแบบเพศนี้ใครอย่าได้ไปศึกษาเนี่ยถ้าศึกษาประวัติละทุกไลน์ไปเรียนรู้่ะทุกไลน์ให้ลองไปนั่งอ่านดูสิเอาท่านใจแข็งแข็งนี่แหละอ่านไปเสร็จโอ้โหคนประเภทนี้มันไม่มีในโลก มันมีคนเดียวในจักรวาลเนี้ยนะมีคนคนเดียวในจักรวาลนี้ที่คนเป็นแบบนี้และทํากล้าทําแบบนี้ว่าเป็นบา ร, รมีขนาดนี้เนี่ยลักษณะเนี่ยว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นนี่ละ่ะถึงบอกว่ า, วาพราะใจแข็งยังไงอ่ะอย่าได้เผชิญหน้านะ่ยอาจารย์ใช้คําว่าเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยตกมันเนี่ยยังพอเอาตัวรอดได้ถ้าเผชิญหน้ากับพระพุทธเจ้าไม่รู้จะหนีไปทางไหน เอเผชิญหน้ากับช้างตกมันยังพอตัวรอดได้นะแต่เผชิญหน้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหมดปัญญาเลยไม่รู้จะไปทางไหนว่างั้นเถอะนี่ขนาดนั้นนี่คือพระเจ้าก็ทํามาขนาดนั้นใครก็ได้ถ้าทําขนาดนี้ก็เป็นพระเจ้าได้แต่ต้องทําขนาดนี้นั้นในรายละเอียดมันเยอะอยงั้นอย่าแปลกถ้าท่านทําท่านก็เป็นที่รัก โอไม่ต้องไปเทีย บ, เ ท, ยบเทียบไม่ได้คนละเรื่องเลยพ่อแม่ในสังสารวัตมีเป็นล้านมีเป็นโกรธใช่ไหมทบตีเราก็มีด่าเราก็มีฆ่าเราก็มีเราฆ่าท่านก็มีแต่คนที่บำเพ็ญเป็นพุทธิย่าแล้วต้องละปาณาติบาตลอดตลอดอัธภาพไม่เคยประทุษร้ายเราเลยอ่ะในสังสารวัตเนี่ยมีแต่เกื้อกูลเรามา ใช่ไหมอนเราด่าท่านตัดคอท่านท่านยังไม่โกรธเราสักนิดเลยคนประเภทเนี้หาที่ไหนขนาดเป็นบุตรชนนะตัดศีรษะท่านเนะี่ยท่านให้ตัดเลยนะไม่มีเลยที่ท่านจะทำจิตคิดขัดเคืองในเราไม่มีเลยมีไหมล่ะนี่บุตรชนนะครับควบคุมใจได้ขนาดนั้น น, ะนี่ขนาดนั้นเลยพอมองเห็นไหมโอเคนะ